ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติศิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุชาวพคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอใช้ภิกษุณีให้ซักบ้างให้ย้อมบ้างให้สางบ้างซึ่งขนเจียมจริงหรือพระชาวพะีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีเหล่านั้น เป็นญาติของพวกเธอหรือว่าไม่ใช่ญาติพวกภิกษุชาวพัปปกีกราบทูลว่าไม่ใช่ญาติพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงตําหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ใช่ญาติย่อมไม่รู้ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมความน่าเลื่อมใสหรือไม่น่าเลื่อมใสของบุคคลผู้ไม่ใช่ญาติโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะนั้นพวกเธอจึงใช้ภิกษุณีให้ซักบ้านให้ย่อมบ้าง